เทไรเวลาเท่าไรนูนเท่าไรเวลาเท่าไรเกือ <c oughs> บสองทุ่มเอาเพิ่งจะืทุ่มกว่ากนะเบทุ่มกว่า <c oughs> เอ่อทุ่มห้าทุ่มสองทุมได้ทุ่มยังไม่ถึงสองทุ่มถือว่าเราต้องอใช้เวล า, าในทางทำสักหน่อย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 มีจิตใจเป็นกุศลแล้วก็แผ่เมตตามีจิตใจอบอ้อมอารีมแต่บุญทั้งนั้นการไหว้พระสวดมนต์ก็เป็นบุญการแผ่เมตตาก็เป็นบุญในั่งสมาธิก็เป็นบุญการฟังเทศกุบาอาจารย์หลายองค์ก็เป็นบุญหลายเนี่ยเพราะฉะนั้นถือว่าพวกเราเนี่ยโชคดีมากได้มาทํางานที่นี่ถือว่าโชคดีเรื่องบ้านเราต้องพูดให้เข้าใจผู้ใดมีครอบครัว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 ที่นี่เนี่ยท่านเจ้าของบริษัทท่านพาไหว้พระสวดมนต์ฟังเทศนั่งสมาธิภาวนานถือว่าให้ทั้งรับภายในนี่แหละซับภายในซับภายในคืออะไรซับภายในคือกุศลผลบุญนี่แหละมันเป็นรับภายในคําว่าซับภายนอกคือข้าวของเงินทองอเครื่องใช้ไม่สร้อยส้อย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 ตายไปแล้วไปกับเราไม่ได้เอาไปได้แต่กุศลผลบุญเอาไปได้แต่บุญกับบาทใครเป็นผู้เอาไปคือจิตตเปรัญญาจิตตเปรัญญาออกจากร่างไปมีบุญไปด้วยท่านจะว่าเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมคือการกะระทาการกะระทาของเราทุกอย่างคือกรรมของเรากรรมเกิดจากการกะระทา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 จิตใจชอบไฝ่กุศลชอบไฝ่ความดีเสดตนข้างขาวตัวนั้น่ะข้างขราวอยู่ในถ้ำเป็นร้อยสองอตัวจะออกไปหากินปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บข้นมาแล้วออกหากินตัวที่มันอยู่ในถ้ำมันก็มีพระพุทธรูกเหมือนกันน่แหละพระสงฆ์ที่เป็นอาจารย์ก็กำลังแสดงธรรมให้พร ะ, ะ, ะลูกวัดฟังพระลูกศิษย์ฟัง ข้างข่าวบางตัวมันก็บินไม่ใช่บินไปธรรมดามันต้องชี้รถลงมาใส่หัวพระชี้รถลงมาเยี่ยวลถลงมาใส่พระพุทธรูปใส่หัวพระที่นั่งฟังเทศแล้วก็ค่อยเอาชี้รถก็ไปขี่รถก็ไปเยี่ยวลงมาแล้วก็ไป <c oughs> มีข้างข่าวตัวหนึ่งมันีน่ยหละสองร้อยประมาณสองร้วยตัวจะมีตัวหนึ่งเกาะอยู่ฟังเทศไม่ยอมกระดิกไม่ยอม บินไปไหนฟังเทศห้อยหัวเรฟังอย่างนั้นพระท่านแสดงธรรมข้างคราวก็นั่งห้อยฟังอยู่อย่างนั้นไม่ยอมไปหากินพระท่านเทศหนึ่งชั่วโมงประมาณหนึ่งชั่วโมงมันก็ฟังอยู่อย่างนั้นไม่คิดถึงว่าอาหารเราจะหมดหรือเปล่าเขาจะกินก่อนเราหรือเปล่าฟรังต้นนั่นกาลังสุกพุชชาต้นนั่นกาลังสุกเขาจะไม่กินก่อนเราหรือ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 ข้างคาวตัวนั้นถึงถทะยอยอถึงบินออกไปข้างนอกถ้ำแต่หายกินมันก็ได้กินเหมือนเดิ ม, มละก็ได้กินอิ่มเหมือนกันไอตัวที่มันบินเ พ, พืพัพบเพืพับเพืพับไปไม่ได้ฟังเทศไม่ได้สร้างกุศลไม่มีการกระทําให้เกิดตัวเองแถมยังขี้เยี่ยวรถมุงมาใสาพ่พระปรากฏว่าข้างคาวมันจะไปยังไงมันข้างคาวตัวที่ฟังเทศ สิ้นอายุของข้างเข่าตายแล้วไปขึ้นสู่สวรรค์เป็นเท พ, พบุตรไปเป็นเทพพระบุตรอยู่บนสวงสวรรค์ข้างคาวไอ้พวกที่ยศเยี่ยวลดลงมาชี่ลดลงมาใส่พระพุทธรูกบ้างใส่หัวพระสงฆ์บังตายแล้วตกนรกสองแสนกัปสองแสนกัปไม่ใช่น้อยดิตายแล้วตกนรกอันนี้แหละ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 เพราะจิตใจเป็นผู้บําเพญ็ญจิตใจเป็นผู้กระทากายเป็นผู้รับใช้ของจิตจิตเป็นผู้บงการผู้กระทาท่านจึงให้จิตใจของเราเนี่ยอบลมด้วยธรรมะฟังเทศฟังธรรมจิตใจจะดีขึ้นนี่แหละเพราะฉะนั้ น, นมันจึงหาได้ยากสถานที่ที่เราจะได้สร้างรับภายในทําการทางานอยู่เป็นประจา เราก็ยุ่งยากอยู่กับงานแต่ถ้าเราแบ่งเวลามาอย่างนี้มันดีมากเลยแบ่งเวลามาสร้างกุศลผลบุญ อ, อย่างเพียงท่านอาจารย์ด็อกเตอร์หรือเจ้าของบริษัทท่านพาทำถือว่าดีมากหาได้ยากหาได้ยากเนี่ยเหมือนกันละคนเราเกิดมาก็เหมือนสัตว์สัตว์ก็เหมือนคนห้ยอยู่ห้กินมีที่จะไปมีที่จะอยู่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 เป็นผู้ไปนรกก็จิตใจที่แหละเป็นผู้ไปนิพพานก็คือใจเป็นผู้บรรลุมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจะเป็นสัตว์เป็นคนมนุษย์อะไรก็ช่างจิตใจเป็นผู้ไปทั้งนั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงให้บําเพ็ญจิตใจของเราเนี่แหละให้มันดีสร้างกุศลผลบุญบําเพ็ญศีลภาวนาให้ทานเอาไว้การให้ทานมันจะทําให้เราเนี่ย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 เหมือนเพลินไฟเหมือนไฟเผาไฟลนคือจิเลธโทสะมันกระล่อนจิเลธโทสะมีหลายอย่างมีทั้งความโกรธมีทั้งควอดความเครียดแฉนพยาบาทมีทั้งความเอารัดเอาเปียบข่มเหงรังแกความโกรธมันก็ทําให้เราร้อนขึ้นเรียกว่าจิตใจมันสร้างบาปใส่ตน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 หายใจเข้าพุทหายใจอวตโรหรือจะหายใจเข้ารู้ลมเข้าหายใจออกรู้ลมออกอย่อยางนี้นั่นแหละท่านจึงว่าบุญเกิดจากการภาวนานั่นแหละบุญเกิดจากการภาวนาทำให้จิตใจสบายจิตใจจะเย็นขึ้นคนที่เขาร้อนจิตร้อนใจมีเรื่องอะไรเกิดกระทบกระทั่งกัน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 ด้วยความยิ้มการยิ้มมันจะวางสบายใจยิ้มสู้กับทุกยิ้มปล่อยวางทุกหรือจะทำใจให้สบายสบายก็ได้บางคนนี่มีการคองเรือนคองเรือนสามีภรรยาขัดแย้งความเห็นกันความเห็นไม่ตรงกันคนนั้นบางทีเข้าใจกันผิดนี่แหละคือไม่เห็นอ่าไม่ตรงความคิดเห็นไม่ตรงกันเข้าใจกันผิด หน้าโกรหน้าเบี้ยวใส่กันมันก็เป็นทุกข์ทั้งสองฝ่ายคนหนึ่งพูดขึ้นมาก็รับกันเลยถ้าเรายิ้มเฉยเขาจะหน้าโกรเรายิ้มผลสุดท้ายก็ยิ้มตอบเหมือนกันแหละท่านจะว่าเมตตามหานิยมเนี่ยมันอยู่ที่ความไม่โกรธและความยิ้มใส่กันการยิ่มมันวางความโกรธอยู่ในตัวถ้าต่างคนต่ต่างบึ้งใส่กันเขาบึ้งมาเราเบึ้งตอบ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 จงเอาชานะด้วยความอยู่เย็นเป็นสุขสบายด้วยความพอพอสําหรับฐานะพอสําหรับเราเพราะเราทำไปไม่ไหวแล้วก็เอาพอความพอนั่นหละทำให้เรามีความสุขสบายขึ้นเนี่ยหละความโกรธก็ทำให้เรามีความสุขทางใจเราเอาธรรมะเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน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 ไม่นอกโลก่นอกทางนอกศีล น, นอกธรรมก็ เ, เป็นมนุษย์สมบัติที่ดีแล้วนะละมนุษย์สมบัติกรรมที่ดีอสีหงไหที่พลาดมาเราก็ละเสียละมันออกไปพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าละชั่วทำดีทำจิตใจให้ผ่องใสอย่าไปยึดมั่นในอดีตมันพาให้เกิดเป็นทุกข์อดีตที่เป็นบุญกุศลท่านทะลึกเอาไว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 นี่ะคือซัพภายในซัพภายในนี้เราไปไหนไปกับเราโจรลักก็ไม่ได้ไฟไหม้ก็ไม่ไหม้มันไปเป็นผลบุญผลกรรมไปกับวิญญาณไปสู่เบื้องหน้าตาบใดที่เรายังท่องเที่ยวอยู่ในวัฏสงสารยังไม่สิ้นจิเลตโทสะโมหะโลภะลาคะจิเลตทั้งสี่อย่าง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 รักษาศีลภาวนาเพราะฉะนั้นท่านนิมนต์ครูบาอาจารย์มาฟังเทศไหายพระสวดมนต์มาฉันจังหันมาทำบุญบริษัทอย่างนี้ถือว่าสงเคราะ์ชาวพี่น้องสรารคามชาวบ้านชาวเมืองสงเคราะห์หมู่คณะในบริษัท ด, ด้วยกันและมีโอกาสได้สร้างสร้างทรัพย์ให้แก่ตนทรัพย์ภายใน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 พร้อมเพียงด้วยศรัทธานี่ละ่ะบางคนเขาเกิดมาสามียากจนภรรยาล่ารวยเพราะภรรยาทานสามีไม่ทานขัดแย้งกันแกก็ยังอยากร่วมเกิดพบชาติกันอีกก็เลยต้องเกิดมาเป็นคู่เป็นเนื้อคู่กั น, มนไม่สมบูรณ์แต่บางคนเขาสมบูรณ์ทั้งสองฝ่าย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 เป็นอย่างนั้นเพราะจะั้นจงพากันเข้าใจแล้วก็จงพากันสร้างบุญสร้างคุสลเอาอการแสดงบรรยายธรรมมาก็สมควรเพียงเท่านี้ก็ขอเอภพรให้บริษัทเวลิน่าท่านอาจารย์ดรนัทนนท์ตาชูทั้งภรรยาทั้งพนักงานทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองทั้งทรัพย์ ภายนอนและทรัพย์ภายในทั้งบริวารทรัพย์อายุทรัพย์สุขพระละอายุวัน่นังยืนสุขภาพแข็งแรงจงประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดไปเป็นมนุษย์สมบัติสวรรสมินตรานสมบัติต่อไปการแสดงธรรมมาก็สมควรจแจกการละเวลาเพียงเท่านี้ต่อไปก็พากันเตรียมรับพร <c oughs> ย อาวะลิวหาปุราปริปุเติสาคัลังเอวะเมวะอิโตดินางเปตานังอุปการปฏิเอยเตังปทิตังตุงหังเขปามวาสามิต ชาติโตสัพเพปุเรมตุสังกาปาจันโดปะนารโสยธามามิชติราโสยธาสัพเพอนติยเววาั ชาตุสารพาโลคอนเวนานสาโตะมาเตงภาวัวันตาลายโยสุขกะเกะคายโย ซาเนจังโวดทาปาจัยนโอจันตาโล คาลังราคันตซาพเดวะตาสาบะพุทธานุเวนะซาดานโสทีอาภาวนตุเตภาวตสส ขันตุสาปเดวะตาสาหมาทามาโนภาเวนาสะดานโสทิอาภวันตุเตงภะวะตุสาปมังคาลาง ราคันตุลสาพเดียววตาสาบานสังฆานุภาเวนาสาดานสดเทปาวันโตเต